นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้น <c oughs> นะบัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรม เป็นเวลาสู้กับกิเลสมารสังขารลมานที่เราสู้มันยังไม่ได้นั้นให้ได้ชัยชนะมารกิเลสสังขารลมานได้แก่จิตปรุงจิตแต่งสังขารลมานจิตปรุงแต่งนี้ ยากที่คนเราจะเอาชนะได้มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจิตใจเราไม่ตั้งมั่นให้ดีย่อมหวั่นไหวไปตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาสังขารมานสังขารลว่าปรุงว่าแต่ไม่สงบระงับ ปรุงโน้นแต่งนี่อยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธเิเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเชื่อไปหลงกิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสลาคกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็เป็นมารตัวสำคัญแต่ละอย่างละอย่าง เพราะว่าผู้ปฏิบัติภาวนายังข้ามมานเหล่านี้ไม่ได้ก็ตกโยให้มานเหล่านี้ทําจิตทําใจของตัวเองให้วันไว้สั่นสะเทือนเป็นทุกข์เป็นร้อนโยในกิเลสราคะโทสะโมหะเวลามันทําให้เดือดร้อนวุ่นวายจนถึงทุกข์ โทมานัดครับแขนแน่นใจร่องให้นําตาไหนบนเพื่อลำไรสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนคือมันเกิดขึ้นในจิตมันทำจิตใจของคนเราให้เศร้ามองคุนมัว ด้วยเหตุนีพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิแอเพชรทำใจของตนให้องอาจกล้าหานไม่ยอมแพ้ต่อ <c oughs> สังขารมารกิเลสมารพยามารเสนามารบริวารมารทั้งหลายแหละคำว่ามารมารไม่ใช่ ผู้ดีวิเศษมันเป็นผู้คอยฆ่าคอยทำลายจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะบำเพ็ญบา ร, รมีอันใดเจ้าสังขารมานพยามานนีหวันต้องลัดทางแหละจะทำบุญให้ทาน มันก็สละความตนนิเหนียวแน่นไม่ได้เคือ่อมารทางนั้นจะรักษาศีลก็มีมารเบียดเบียนในเวลารักษาศีลก็เพราะจิตไม่ตั้งมัน่นจิตหวั่นไหวจิตเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดเวลามันจึงให้แพ้ต่อมารขี่เหล็ พระพุทธเจา้าพระอริยเาจ้าทั้งหลายเมื่อก่อนท่านยังไม่รู้หรือว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็ค่ายแพตอมานกิเลสเหล่านี้อยู่พระพุทธเจา้าดูเวลาท่านที่จะเอาชนะมานกิเลส ภาวนาแบบไหนเวลาใดมันก็พ่ายแพ้กับมานกิเลสที่จะไม่พ่ายแพ้ได้คือพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เอาตายสู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสลนะไม่ใท่ง่ายงายเรียว่าระวางความเป็นกับความตาย โซการกรุงนะถ้าไม่ได้ตัดสูกพระองค์ก็นั่งตายถ้้มันแห้งเหมือนกบยางไงกบตายกบยางคือพระองค์ไม่หวั่นไหวอีกแล้วไม่ตามหลังพยามารไม่ให้พยามารมาหลอกลวงตาหูจหมูกเลียนของพระองค์อีกต่อไป พระ อ, องค์ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสโลหรือตัดกิเลสละกิเลสลาคะโทสาโมหะไม่เสร็จสิ้นลงไปจะไม่ลกจะไม่ไปแสวงหาบินธรรมาทมาเลี่ยงลูกธรรมนามธรรมอันนี้ท่านจะปล่อยทิ้งให้มันตายอยู่นะ เราทุกคนก็ให้มีจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดมันก็มาหลอกลวงอยู่นั่นแหละตั้งใจให้มันพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจอันมรณะภัยคือความตายนี้ประมาทไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในป่าในเขาก็หลวงพี่สององค์ไปผูกเขาเนะ่ะก็คือความตายเขามาบอกข่าวว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ถ้ำพราปองนี่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายเดนเถนใครก็ต้องตายนะมันมาบอกข่าวอย่างนั้นแหละ ย, ยาได้ประมาท ว่าเรายังเด็กยังนมโยไม่ตายเมื่อเวลามันมาถึงเข้าไม่ได้เลือกหน้าและไม่ได้ยกเว้นไม่ยกเว้นเป็นพิเศษพระพุทธเจ้ายังดับขันเข้าสู่นาฤพาพระอราหาันตากินาศ จ, จบพรหมมาจรรันแล้วยังดับขันเข้าสู่นาฤพา อุบาสกอุบาสิกาสัทธาผู้ธนุบำรงประพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกายังดับขันเข้าสู่นารือผ่านไปแม้เราทุกคนผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้นึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าหนีไม่พ้นจะหลบไปทางไหนหลบมาให้แก่ก็ไม่ได้ จะว่าเราไม่แก่ไม่ได้มันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแก่ไปทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ได้โย่เฉยๆความแก่มันไม่ได้อยู่เฉยมันแก่จลาเรื่อยไปอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีโย่ตลอดเวลาแต่เราตามไม่เห็นเท่านั้นแหละ พยาตโลขาคอยจะบันทอนชีวิตของแต่และบุคคลนั้นมีเต็มตัวเต็มกายเต็มใจอยู่มารณะภัยคือความตายนั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเพชรสักคาดฆ่าคนพิษผิดกฎหมายเงื้อมือขึ้นไปสุดแล้วดาบยังเหลือแต่ฟันลงมาเท่านั้น อันความตายนั้นจงละเลิกโดให้โลแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าเมื่อฟันลงมาเมื่อใดก็คอขาดตายเมานั้นยังจะมาทำเล่นอยู่ได้หรือยกจิตใจขึ้นมาตั้งใจให้มัน่นยาได้หวั่นไหว มันจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตายนั่นแหละอยู่เดสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตายเด็กก็ไปแค่ตายหนุ่มก็ไปแค่ตายหญิงก็ไปแค่ตายชายก็ไปแค่ตายแกชราแล้วไม่ตายไม่ได้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดจะเอา โยนให้คนอื่นก็ไม่ได้ให้ผู้อื่นช่วยก็ไม่ได้ช่วยได้นิ ด, นดหน่อยๆพาไปโรงพยาบาลเท่านั้นแหละถ้ามันจะเอาจริงๆโรงพยาบาลก็ไม่มีท่าสู้นายหมอแพทย์ก็ยังตายภาษาอะไรเราไม่ได้เป็นนายแพทย์นายหมอ หม อ, อยังตายได้ต้องภาวานาให้มันพ้นจากความตายตายนี้พ้นได้มีทางพ้นไปได้อยู่ที่ละกิเลสล้างกิเลสในหัวใจให้หมดสิน้นล้างจนไม่มีความโกรธความขัดเคืองในหัวใจ ที่ไม่พอใจทั้งหมดก็ไม่มีคือว่าท่านล้างออกไปท่านละละก็ว่าได้ล้างก็ว่าได้ทิ้งก็ว่าได้ไม่กรอดให้ใครไม่โลบอยากได้ของไทยไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรไทยมุ่งหวังให้แก่ทุกทุกคนทุกตัวสัตว์ มีความสุขความสบายตามหน้าที่ของตนของตนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตใจของผู้ภาวนาสงบตั้งมัน่นคำว่าเมตตาคือจิตใจตั้งมัน่นอยู่ในใจนั่นแหละเป็นเมตตาอย่างสูง เพใจมุ่งหวังให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ตามให้เขามีความสุขความสบายทั่วหน้ากันมีจิตเจตนาเพ่งเล็งอยู่ในจิตใจนี้กิเลสกองไหนที่มันยังทำจิตใจของตัวเองให้เศร้าหมองขุนัม รีบตัดรีบราออกไปมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็เลิกถึงความตายตายแล้วมันเอาไปได้ที่ไหนมีใครเวลาก่อนจะตายก็ขนลำเลียงสมบัติในโลกนี้ไปก่อนเวลาตายแล้วจะได้ไปกินไปใช้ในโลกนามีที่ไหนไม่มี จิตมันหลงตั้งหายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราตัวข่าของข่าชื่อนี้นามนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเน่คือว่าจิตมันหลงจิตไม่รู้แจ้งว่าตัวจะต้องตายหรือคนทั้งหลายจะต้องตาย จะว่าดุไร้ปลายเสียให้ก็ให้มองเห็นว่าเขาก็ต้องตายเราคือตัวเรากายจิตของเหล่านี้ก็ต้องตายจากกันไปเราจะมาโกรธมาโลภมาหลงมายึดหน้าคือตายึดอะไรต่อนี้อะไรไปทำไมปล่อยวางให้มันหมดสิ้น กิเลสราคะไม่มีในจิตในตัวบุคคลผู้นั้นกิเลสโทสะไม่มีในตัวในใจบุคคลผู้นั้นกิเลสโมหะไม่มีในจิตในใจในตัวบุคคลผู้นั้นถ้ามันยังมีอยู่มันก็เป็นไฟหม่อนัดกเผาหัวใจคือเป็นคนเกียรติทานภาวนา หลงไหลโยแค่ความสุขความสบายนิดๆหน่อยๆเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตไม่หมดสิ้นมันก็มาทุกมาลอนอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาละกิเลส ไม่รู้ว่าอย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียดละใละห้มันหมดสิ้นก็แล้วกันมันสิ้นไปจะไปหาผู้อื่นมารับรองพระพุทธเจ้ามารับรองไม่ได้สิ้นไม่สิ้นตัวตัวเองต้องรู้ในใจตัวเองมันหมดมันสิ้นมันก็ไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความร้อนเรื่องความโกรธอยู่ในใจ ความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีการอิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีไม่มีไม่ใส่คำพูดมันเป็นที่จิตใจเลิกละกิเลสตัณหาในใจของตัวเองทุกๆุกคนคำพูดพูดได้เขียนได้อะไรได้แต่ว่าถ้ากิเลสในใจการบาเพ็ญภาวนาในใจไม่เต็มที่เต็มฐา ไม่ภาวนาให้มันเต็มที่แล้วมันก็ติดอยู่นั่นละ่ะไฟไหม้หัวใจลาคินาไฟไหม้หัวใจใครไปหลงไปเยิดไปเถือนั่นแหละจะได้ทุกเวลาตายพัดพากจากกันละ่ะก็ร้องไห้น้ำตาไหลบนเพลอ่ลำไหลไปตามภาษา ของคนขี้เกียจภาวนาคนไม่ละกิเลสแั่นั้นเราต้องเตรียมตัวละกิเลสตั้งแต่วินาทีเดียวนี้เป็นต้นไปมันจะสิ้นสุดไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องของความเพียรของผู้ปฏิบัตินะั้นไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเพียร พระพุทธเจา้าพระองค์จึงทรงตัดไ ว, ว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเมื่อมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ทอแท่ออแอในหัวใจมันเต็มที่เมื่อใดมันก็พ้นทุกได้พ้นทุกพ้นภัย พ้นอันตรายต่างๆ น, น, นานามันเป็นเรื่องจิตพ้นไม่ใช่คำพูดพ้นไม่ใช่ตัวหนังสือพ้นโฮเมนกิเลสขี้อวดมันหยับพ้นเป็นการปาราบความเพียรก่เมกกิเลสมานสังขารละมานทุกกิเลสนั่นแะพระพุทธเจ้าท่าน ท่านทำลายด้วยความเพียรความหมั่นความขยันด้วยความไม่โทษแท้ออนแอในหัวใจท่านเลิกได้ท่านละได้ท่านตัดได้จึงสอนพวกเราทั้งหลายว่าอย่าหลงไปตามกิเลสจองบำเพ็ญ การเลิกการละอยู่ในใจของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกสิ่งใดที่ยังไม่ถึงก็ไม่เอามาคิดมานลกให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มันร้อนเพราะกิเลสมันมีอยู่ในใจ ถ้ากิเลสภาวนาทำความเพียรเอาจนหมดกิเลสกิเลสลาคะก็หมดไปกิเลสโทสะโมหะก็หมดไปสิ้นไปแม่ร่างกายจะอยู่ในโลกใจก็มีอยู่ในโลกพูดจาปาาัสอยู่ในโลกแต่ว่าจิตใจท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนใครจะว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไร จิตใจท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามบุคคลสบายท่านก็ไม่หลงไม่สบายท่านก็ไม่หลงอันความไม่สบายและสบายมันเป็นธรรมดาของโลกโลกนี้ท่านมาโลกก็ทำแปดประการมีความสบายกายสบายใจแล้วก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือมีสุขมีทุกขอยู่อย่างนี้เองมีสรรเสริญก็ต้องมีติเตียนนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบได้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้มียศเสื่อมยศถอดยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้ เจดผู้รู้ผู้ภาวานาไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เร่งภาวานาให้มันหลดุดมันพ้นไปเสียทีมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายแล้วจะไม่ให้มันตายท่าเดียวได้ยังไงไม่ได้เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปเกิดแล้วมันต้องตาย ไม่ตายวันนี้วันหน้ามันตายไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้ามันตายไม่ตายปีนี้ปีต่อต่อไปมันตายได้ให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้